6. เอละกะโลมะสิกขาบท 39. ถามทรงบัญญัตินิสัคียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รับขนเจียมมาแล้วเดินทางไกลเกินสามโยชนที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งถามเพราะเรื่องอะไรตอบ